ท, ที่จะกลับนดีอลงแบโตจับข้างล่างก็มีนักปฏิวัติธรรมสามคนนวมาวานกบตั้งใจว่าจะกลับเมื่อเกินกลับตอนต้องมันสามทุ่ม มาพิจารณาดูแล้วก็ให้ไปตอนเช้าพรุ่งอรุณเหมือนกับพระเหะเหมือนกับพระพระนี้เวลาจะเดินทางต้องรอรุ่งอรุณก่อนหรือว่าสอยโบราณเราก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่กล ค, คืนก็ น, นอนนะพอตอนเช้าจะไปไหนก็ไป โบราณเปรียบเทียบกันคืนนะผีออกผีความไม่ดีทั้งหลายกลางคืนทหารจะออกลบงจะปราบ่าสึกไปกลางคืนแล้วเบียดเบียนตัวเองเบียเบียนผู้อื่นไปหลอกลวงกันโลดหิวกระเสือกกระสนกระสัดกระใสกระเยี่ยนกระหือรือผีกระหังผีกระสือทุก เราก็จึงรู้กาลเทศะรู้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้รู้ชุมชนรู้บุคคลรู้เรารู้เขารู้เขารู้เราเนี่ยตอนนี้หลายคนปิดไฟก็รู้อยู่ว่าเออพึ่งมันมา เพื่อมันเล่นแสงเล่นสีการรู้เหล่านีมันเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ปฏิวัติธรรม น, นอกจากจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รูปธรรมนามธรรมรู้กายเรากำลังทำกำลังคิดกำลงังพูดรู้ว่าเออเหตุปัจจัยต่างๆภายนอกธรรมชาติเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง เหตุรู้ผลทำเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้รู้ผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอย่างนี้มันจะรู้ว่เราก็เลือกได้เลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะมีความสวยเลือกได้เลือกจะมีความฉลาด เลือกที่จะเดินทางสู่มรรคผลผนิพพานเลือกได้เลือกได้เลยเราก็จึงมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนงี้แหละเราเลือกทาให้เลือมันไหลไปทำยะถากรรมมันไปแบบสเปรสะปะเราโทษฟ้าโทษ ด, ดิน เพราะดันเรื่องหณะของความเพียรความขยันความซื่อสัตย์ขยันประหยัดความกตันอยูอดทนเป็นคุณสมบัติของนักป่าทั้งหมดนั่นะเราจึงเห็นความเพียรเพียรพยายามที่จะรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เป็นบทฝึกหัดให้จิตของเรามันมีที่อยู่รู้เนื้อรู้ตัวกับปัจจุบัน เป็นการงานเรียกว่ากรรมฐานจิตของเราในงานทำถ้าไม่มีละหษณะของวิชากรรมฐานก็เป็นกรรมกรเป็นกรรมกรเป็นกรรมการที่ถูกชี้ผิดชี้ดีชี้ช่วยมันรู้แบบรู้ไม่ถูกท่านที่เป็นรู้แล้วรู้ถูกอวิชชาอาวิชชาในรู้แล้วรู้ไม่ถูก ถ้ารู้ล้รู้ถูกจะทำอะไรก็ทำเถอะมันแตกฉานในวิชาเหล่านั้นหมดสนใจภาษาก็แตกฉานเรื่องภาษาสนใจเรื่องกีฬาแตกฉานเรื่องกีฬาสนใจเรื่องดนตรีไก็แตกฉานเรื่องดนตรีสนใจคณิตศาสตร์แตกฉานคณิตศาสตร์สนใจวิชาอะไรก็แตกฉานไปเลย มันใส่ใจอย่างี้มันตั้งใจอย่างๆมันก็รู้แจ้งแต่ละขณะแต่ละขณะเราอยู่กับอะไรมันจะรู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างไฟดับปุ๊บน่ถ้าคนไม่มีสติตกใจได้ภาพผีจะโผล่มาทันทีเมื่อกี้ไฟดับมันเป็นปัจจุบันแบบนี้ อยู่ความเป็นจริงที่ปัจจุบันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราจะไหลไปในอดีตไหลไปในอนาคตคนมีสติมันจะอยู่ในโลกความเป็นจริงม่ใช่มายาม่ใช่ความคิดม่ใช่โดนเดาใช้ชีวิตไม่ชัดเจนไม่แม่นยำมันอยู่ความชัดเจนแม่นยาเช่นเน่เราใช้กุจโรบายความรู้เนื้อรู้ตัวที่เกิดจากการเคลื่อนการไหวของกาย สิจังหวนะเนี่ยเราจะเห็นอลไรบางทีมันก็ตั้งใจที่จะรู้บางทีก็เครื่องรู้เครื่องหลงเมือม่อเมือลอยลอยบางทีก็หลงไม่รู้หลงไปอยู่กับความง่วงหลงไม่อยู่กับภายนอกปรากฏการใครทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหรเราสนใจไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องใส่ลงไปสามมาทิฏฐิเมื่อกี้เราสวดแล้วนะ เห็นแลเห็นถูกเราฝึกตีเห็นให้ถูกสัมผัสรู้รู้สึกขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนียขยันลงนี้ลงไปถ้าเป็นคนขี้เกียจก็เป็นมแมลงวันซะถ้าเป็นคนขยันก็เป็นพึ่งไปซะขยนันเหมือนกระไก่ก็ได้เดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็คุยเกียรขยนันคุยขยันเกียร์นักแบบทําเราขยันรู้เนื้อรู้ตัว ชาวนาไข่น้ำข้าวนาช่างลูกศรกระดาษลูกศรช่างถากไม้ก็ถากไม้บัณฑิตก็ต้องฝึกตนจะเป็นบัณฑิตก็ต้องฝึกตนพระบวชศึกไปก็เรียกว่าทิศทิศทิศ ท, ท น, น, นะะคือบัณฑิตเป็นบัณฑิตก็ต้องฝึกตนเราก็จึงนะฝึก ตอนสองต น, ตนทุกครั้งที่ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปตั้งแต่ตื่นยันหลับนะั่นทำวัดสด็มันเราก็รู้สึกตัวได้สังเกตไม่เวลาทาวัดเสด็จมันมันจะมีความคิดที่เราเจตนาคิดเจตนาที่จะดูหนังสือหรือตั้งใจให้ภาษามันไหลอยู่ในหัวแล้วเราก็หยิบมาสดอันนี้ตัวหนึ่งมันตรงตามหน้าที่ทาวัดเช้าทาวัดเย็นอย่างงี้ ตีส่เสียงคล้องดังแล้วทำวัดเช้ากันมันจะมีภาษาที่เราไม่ได้ตั้งใจโผรมาด้วยเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์เรื่องสารพัดนาะที่มันมีอยู่ลกอยู่ในหัวสมองขยะขยะความคิดนะที่เรียกว่ามนทินเครื่องเศร้าหมองที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราเนื่องจากใคยทากรรมดีกรรมชั่วมาในการเก่า เมโสภูเภกะตาเหตุสุขทุกขังนิคัตจติโปราณกลางกระตังปาปังตะเมมตเจยนีนางเป็นภาษาอันนี้ท่องเอาไว้ตัง้งแต่สมัยนู่นนะไปสอบนักทำเตีมีการสอบทำเตีย๋ยนทำโถงทำเอกตองทองบาลีไปเขียนกระทูก็ต้องจำเงิน สนใจบทนี้สนใจเพราะว่ า, วามันแปลว่าขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ว่าเรากําลังมีความสุขหรือความทุกข์ทังเกตเตตอนนี้เรามีความสุขหรือความทุกข์เนื่องจากเหตุผลนั่นเนี้ยที่กำลังปรากฏเกิดจากเหตุที่เราเคยทํากรรมดีกรรมชั่วทําบุญทําบาปมาในการก่อน โปลากนกตังปาปังตะเมมุมตเจอีนังก็ให้ชื่อว่าประดุดว่าขนาเนี้เรากำลังชดใช้นิกรรมของเราชานี้เรากลังชดใช้นิกรรมของเราชานี้เพราะนั้นมันจะมีหนักกรรมกับวิบากใช่ทำกรรมมีการกระทำคิดพูดทำไว้มันก็ส่งผลน เราเคยทุกยังไงเพราะใครเคยทำกับเราเราเคยทํกมันก็แสดงออกมันฝังไว้เคยโกรธใครก็โกรธแบบจาไม่ลืมเนี่ยเผาผีตายกูก็ไม่ลืมมันมณทินเครื่องเศร้าหมองมันเลอะขนาดนั้นมันจดใส่ไว้มันชีแผ่นทองคาถ้าเป็นบุญมันจดใส่ไว้นมันชีหนังหมาเน่าถ้าเป็นบาปเพราะนั้นยกมือสร้างจะแบนจะกวนฟุ้งออกมา เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากชีวิตเนี่ น, นแหละชำระนิกรรมใช้นิกรรมใช้ดอกเบีย้ยมันด้วยยิ่งเก็บไว้นานดอกเบีย้ยยิ่งว่าก็สังเกตเจอว่าเวลาคนอื่นด่าเราเราก็สามารถจะค่ามันได้เลยให้ดอกเบีย้ยมันด้วยทันทีเขาด่าเราหนึ่งคำเราจะด่ากลับหนึ่งคำไมฮะ เ, เดี๋ยวแถมให้แถมให้ด้วย โดยไม่ต้องร้องขอนะดอกเบียย้ยอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเคยมีหนี้อะไรบ้างเช่นคนที่มีกระตันอยู่ก็จะต้องทดแทนบุญคุณ่คนที่อุปการลาเราก่อนเช่นพ่อแม่บรรพบุรุษรู้จักกตันอยู่รู้คุณแผ่นดินอย่างนี้นจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนะเขาลบไม่แผ่นดินนีขากถุยใส่แผ่นดินเ เคารพไหมเราต้องกตัญญูนะกะตัญญูต่อกายต่อใจของเรานะแต่ยันกตัญญูต่อที่นอนหมอนมุ้งเนะี่ยอย่งางเมื่อคืนนอนทั้งคืนเนขะ่าหม่มห่มนะรู้จักกตัญญูต่อไหมเก็บรักษาทนะับที่นอนหมอนมุ้งอย่างดีเปล่ารู้ว่าตื่นขึ้นมาก็ดีดส่งไปเลยอยู่มุมไหนของห้องยังไม่รู้เลยในะอย่างเนี้ย กตัญญูต่อผมแม่ต่อฟันไม่กินข้าวแปลงฟันหรือเปล่ากตัญญูต่อรถลาแม่รู้จักล้างรถซะบ้างเช็ดกว่าปัดถูบ้านช่องห้องหอพวกนี้พูดได้ใช่หมดได้เลยนะโดยเพราะคนใกล้ชิดพ่อแม่การบวชการแปลธรรมแต่ว่าทดแทนบนคุณพ่อแม่อย่างผ้าบวชนี่ถือว่าชายผ้าเหลืองจงพ่อแม่ไปสวรรค์เดียวพ่อแม่มตกนรก คุณพ่อแม่ทุกคนจะตกนรกทุกคนนะพ่อแม่เนี่ยหิวความดีของลูกอยู่เสมอไม่อิม่มไม่อิม่มขอให้ลูกเป็นคนดีเท่าไหร่ก็ไม่พอลูกชั้นลูกชั้นลูกชั้นแม่อายุเกสบลูกอายุเจดสิบเนี่ยก็ออยังลูกชั้นลูกชั้นยังทนส น, นมเหมือนเดิมอะแล้วก็จึงโอ้นี่มันเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรม ที่มีอยู่ตัวแม่ตัวพ่อเนี่ยถ้าลูกคนไหนไม่ดีพ่อแม่ก็ทุกข์ใจนะก็หมายถึงเป็นเปล่หิวอยู่ตลอดเนีเปล่หิวตลอดอยากตลอดเนี่ยเราก็เจิญบุทิศให้อยากให้มีความสุขพ่อแม่บรรพบุรุษเราก็ต้องทําดีไปไหนหเอาพ่อแม่ออกหน้าออกตายังเรียกว่าทิศเบื้องหน้าสำน้าชีพรามณ์ทิศเบื้องบน เพื่อนมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายครูบาอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาลูกเมียสามีเอาไว้ด้านหลังซะยุคนีมชอบเอาไว้ข้างหน้าเอาลูกเมียออกหน้าออกตาพ่อแม่อยู่ไหนไม่รู้เบาไพ่บริวารเอาไว้ด้านล่างให้หมดใช้คุณธรรมต่างๆให้เหมาะรู้บุคคล รูกาลเทศะรู้ชุมชนรู้จักประมาณในการบริรโภคตั้งหลายทั้งปวงตาหูจมูกเล่นกายใจรู้จักคิดด้วยประหยัดด้วยความคิดของเราส่วนใหญ่ไม่ประหยัดหนนคิดอยู่นั้ว น, นะไม่ได้ตังไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้ความดีอะไรแล้วแถมลงโทษเราด้วยคิดแล้วก็ถอนหายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว ตรงนี้แหละต้องมารู้จักกันความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็ชอบหลงเผลอไปกับมันนั่งอยู่ปัจจุบันนี่ก็ไหลไปอดีตไหลไปในอนาคตเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ต้องนะกลับมาดูที่ตัวกายตัวใจของเราจะเป็นรูปธรรมนามธรรมจนเห็นอาการต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะธรรมะจึงเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดาส า, ามันอยู่และในตัวเราทุกคนเป็นสัจจะความจริง ไม่เกี่ยวกับฝรั่งไม่เกี่ยวคนแขกคนไทยคนลาวคนยวนคนแคมเปนจะประเทศไหนไหนก็ตามแต่กรอดก็หูแดงเวลาเครียดก็หน้าดําเหมือนกันหมดเวลาดีใจก็ยิ้มเวลาทุกข์ใจเศร้าใจมีปัญหาเวลาดีใจมีความสุขก็หลังอะดรีนาลีนเหมือนกันเวลาทุกมีความเครียดก็หลัง เออขอภัยมีความสุขกหลังเอนโดฟินเอนโดฟินเวลาเครียดกระหลังอะดรีนาลีนเวลาเศร้าๆมีความรู้สึกมันเบื่อเบื่อวิตกกังวลหลังสารคอติซอลอันเนี้ยเหมือนกันทุกคนกินเหล้ากัาเมาทุกคนหายใจก็ออกซิเจนกับมาทุกคนหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ทุกคน นั่งก็เมือยอย่างฝรั่งมานั่งเหมือนเราไม่ได้ของเรามันมีจิตวิญญาณแบบชาวพุทธจิตวิญญาณแบบอยู่แบบง่ายๆเรียบๆความเรียบร้อยเราก็นั่งกับพื้นดินเป็นวิชายโยคะไปในตัวการนั่งอย่างเงี้ยมันนวดมันเป็นเห็นเข่าก็ดูกมันช่วยยืดหยุ่นเราก็เลยเป็นคนที่ตัวเล็ก ถ้าเป็นทหารในลกเก่งนะทหารทหารไทยนะตัวเล็กลบเก่งลำเลอไปกช็ชอนตัวโลกเดียวนะเพราะการที่เราใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจของเราเป็นจิตวิญญาณแบบชาวพุทธมาตลอดภาษาไทยนี่รองรับมรรคผลนิพพานมากที่สุดในโลกเลยนะ เวลาพูดทามาในภาษาไทยมาลองรับมรรคผลนิพพานไปถึงนิพพานได้ทันทีหรือว่าคำว่าความรู้สึกตัวเนี่ยภาษาอังกฤษจช้ว่า awareness awareness หลวงปอมเขียนท่านเคยไปสอนอยู่มาหลาลัยฮาวาด ต, ตึกัน Trade Center เทรดเซ็นเตอร์เคยขึ้นมาแล้ววิชาแบบเนี้ยฝรั่งก็ไปสอนกันเก็บเงินเก็บทองนักศึกษาเยอะ โรงพยาบาลนำไปใช้รักษาโรคจิตโตรคประสาทกันมาไม่กี่วันเสียหลายหมื่นอดอลล า, าร์สหรัฐอเมริกาเราก็เลยสังเกตคนจปฏิบัติธรรมตอนนี้มีแต่คนมีปัญญาทั้งหมดรววคนที่เป็นมหาเศรษฐีทั้งหมดฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันแล้วไปสูงสุดแล้วไต่ผู้ขเขาหนอนจนถึงยอดแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยเดินลงดีกว่าเดิสูงสุด เห็นเมื่อไรเดินตรงสูงสุดสูงสามันหาอยู่หากินมันก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นแล้วมีวิชาการในโลกนี้ที่จะทำให้เรามีความสุขสูงสุดและสมกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เลยสังเกตได้เศรษฐีเดี๋ยวนี้เข้ายามทำตัวง่ายๆหนุ่งเเกงเลหนุ่งเเกงยินเก่า ขาดขาดขาดหัวเขา่าขาดก้นนนและเจตีไว้ผมสบายๆบา้นทีสกีนเทสไปเลยบางทีเป็นคนมีปัญญากินพืชแมกโรเบลติกพืชกินได้ไม่เป็นยาหาริมรั่วตามฤดูกากนะลเพื่อนร้อนๆมันมีอะไรลหละที่มันช่วยทำให้เย็นขึ้นมา เวลาหนาวหามันจะเป็นไข้มีอะไรล่ะที่มันเกิดตามฤดูกาลเนี่ยมันช่วยส่งเสริมแต่ละจังหวัดแต่ละภาคมันมีผลไม้ตามฤดูกาลอยู่มันช่วยให้เรารับประทานอาหารเป็นยาแทนที่อาหารจะสังหารเราถ้าคนที่รับประทานอาหารไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนะี่ยจะกินตามความอยากอาหารกลายเป็นยาพิษน มันก็เลยเป็นการดํารงชีวิตยอย่างผาสุกนะถ้าคนมีสติฝึกสติอยู่ตลอดเวลาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กจริงๆอยู่กับโลกนี้ไม่เอาโลกมาทับถมเป็นโทษแต่เอาโลกมาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตจนวินาทีสุดท้ายอย่างสะดวกสบายเป็นความผาสุกเห็นชีวิตเห็นตามความเป็นจริง เศรษฐีนี่ดูไม่ยากไปอยู่ตามรีสอร์ทเมื่อก่อนคนจนน่ยอยู่ตามป่าเขาลําเนาทุ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ย้ายเข้าเมืองมาแย่งหาอยู่หากินเงินแต่ว่ามหาเศรษฐีโนโนรีสอร์ทเปนยอดเขากฎหมายนี่ต้องตามล่ากันไปอยู่ตามวังน้ําเขียววมหาเศรษฐีเดี๋ยวนี้ก็ควานซื้อที่กันบนหลังเขาแห่งนี้มหาเศรษฐีเนี่ย ล, ล้อมร้อยหน้าวัดนะั่นมหาเศรษฐีนะั่งปลูกนี้ ผิดกฎหมายไม่ได้สนใจอะไรกันหรอกเราก็เห็นได้เษฐีก็ขึ้นไปอยู่ตามป่าเขาลนำนองไปมีรถดีๆรู้ว่าไปปีนหน้าผาเล่นนะพวกเจรีเนีไปเดินขึ้นเขาเอเวอเรสต์ให้ลำบากเผลอๆไปตายก็มีไปครั้งละหนึ่งล้านรูปีอินเดียเสียตังค์หนึ่งรูปีอินเดียวเท่าหนึ่งบาทไทยนั่นแหละราคะ ่าของเงินเท่าๆกันเพราะนั้นให้เชื่อมันเลยว่าการเจรญสตินะเป็นเรื่องของคนที่มันมีความมั่งคั่งทางด้านทรัพย์สินมีเงินมีทองหรือว่าเป็นคนที่มีปัญญาร่ำรวยวิชาความรู้ประเภททองโลกว้างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแปกหามแต่เราสังเกตนะว่าการฝึกสตนะิวางไม้วางมือวางจิตวางใจนะ คำที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมะหรือว่าธรรมดาธรรมดานสภาวะคือกายของเราเป็นปกติใจของเราเป็นปกตินั่นแหละขณะนี้มันเป็นยังไงล่ะธรรมดาธรรมดาอย่าใช้ความคิดมากบัณฑิตหรือทิดเนี่ยก็คือรู้ในเรื่องคุณฑธรรมที่เกิดจากสติทั้งหมดสติเนี่ยมันเป็นการรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาป รู้ผิดรู้ถูกรู้เหตุรู้ผลมารู้จริงๆเพราะฉะน้นเวลาปฏิบัตินี่ไม่ต้องใช้ความคิดทั้งหมดเลยอย่าไปคิดรู้นะเวลาปฏิบัติเนี่ยให้สังเกตว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นอาการต่างๆของกายของใจเปนเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่าไปหาเหตุหาผลกันมันทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่านิทานไม่สนุกแล้วมันก็ จบแบบอย่างที่เราได้ยินผ่านไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทําความเพียรโดยเอาใช้เมื่อกี้ที่เราสวดมาใช้กันทั้งเอาเอาเข้ามาเอาประโยชน์ด้า น, นโมตตานะเอาเข้ามาแล้วก็ใช้ก็หมายถึงว่าเป็นการฝึกหัดเรียนรู้นะ <c oughs> เรียนรู้ที่จะไปฏิบัติทำฝึกหัดปฏิบัตนะิตามภูมิจิตภูมิธรรมของต่างละบุคคล แต่ให้สังเกตให้ดีนะอาการอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ผ่านมันมันก็มีอิทธิพลมีอำนาจยกมือไม่ขึ้นเดินจง ก, กรมไม่ได้อ่อนล้านะหมดพลังหมดเรี่ยวหมดแรงตรงนี้ให้สังเกตหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าสติมันเหมือนนอกอินทรีอินทรีคือมันยิ่งใหญ่มากมีความเป็นใหญ่ ตาคมนออ้อยจีเนี่ยอยู่ที่สูงแต่ว่าตามันคมมองเห็นจันเล็กๆได้ที่อยู่บนพื้นดินนี่วัฏจัก ร, รเปรียบเหมือนมแมลงเพราะฉะนั้นนออ้อยรีต้องกินมแมลงสติน่ยมันจะต้องเห็นนิวรธรรมแล้วก็ผ่านนิวรธรรมความง่วงเหงาหอนอนน้ำผ่านเลย กลาเป็นเรื่องของปิติกลายเป็นเรื่องของความสงบกลายเป็นเรื่องความสุขขณะปฏิบัติกลายเป็นเรื่องของความเป็นปกติของจิตจะกลายเป็นตัวรู้แล้วก็รู้อาการเหล่านั้นเฉยๆแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับเรานั่งรถนะนั่งรถจากกรุงเทพมาที่ชัยภูมิวัดป่าสุโกโตเนีเราก็มีลําตะคองอยู่ข้างทางแล้วก็ผ่าน เราเห็นนะแต่เราไม่ได้แวะเข้าไปเหมือนกับเราเห็นความง่วงกันนะเราก็ไม่ได้แวะเข้าไปหาความง่วงไปจ่อแช่จนกระทั่งไม่ยกมือไม่เดินทางง่วงก็เคลื่อนมืออยู่แต่เดี๋ยวมันจะมีพลังไปเองนะกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานอุปสรรคที่เรียกว่าด่านกั้นจิตไม่ให้ก้าวถึงล่วงถึงคุณงามความดีในวัฏฏธรรม ตัวแรกคือตัวง่วงตัวลังเลสงสัยตัวคิดทั้งนั้นนะ่ะมีตัวง่วงตัวเดียวไม่ใช่ความคิดแต่ว่าถ้ามันมีขึ้นมาก็เกิดความคิดนะคิดอยากไปนอนคิดท้อแท้แล้วก็ไม่ไปทําต่ออะไรนะเพราะนั้นให้ผ่านด้วยความรู้เนะื้อรู้ตัวเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆตัวนี้ทำเป็นศีลเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมไปเป็นเรื่องของการเดินทางสู่มรรคส่ผล เพระนั้นชาวพุทธเนี่ยเราสอนก็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกสวรรค์มันต้องก็ต้องเดินผ่านนะั่นน่ะบาปก็หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจความทุกข์ต่างๆอะไรเป็นบาปความสุขหมายถึงลักษณะของมาในโทนของบุญของกุศลปีติความสงบความสุขความรื่นเริงในการปฏิบัติพวกนี้เป็นฝ่ายกุศล ความขยันมีความเพียรที่จะทำปฏิบัติธรรมลงมือทำทอฐานตลามธรรมเคลื่อนไหวรู้สึกก็จะเห็นธรรมทอทงรอเรือแล้วก็มอแมาธรรมชาติที่เป็นนามธรรมที่มันทำอยู่ข้างในเราก็ได้เห็นคุณธรรมต่างๆที่มันมีอยู่เรียบเรียงตามระดับขั้นตอนของภูมิจิตภูมิธรรม ของต่ละบุคคลบางทีต้องมีความเพียนมีความอดทนจากไม่มีก็มีขึ้นมามีความเฉยมันไม่เฉยก็เฉยขึ้นมาแล้วก็สงสารตัวเองเป็นพอปฏิบัติไปไปอะสิ่งที่เราจะต้องสงสารคือตัวเองนะมันจะเกิดมากที่สุดคนหัวลุกทีเดียวแหละมันผ่านมาได้จนถึงทุกวันเนี้เฉียดตายาหลายครั้งบทีขับรถเร็วบทีก็หลับใน แต่ก็รอดมาได้บางทีก็อยู่ที่ทเปล่าทีก็ทำงานหามรูมหางขั้นข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนไม่ได้สนใจกายของเราหลายคนก็ตายไปแต่เรายังมีชีวิตรอดอยู่มสงสารตัวเอ ง, งทีก็สงสารตัวเองกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตะเล่ร่อนมันก็เออสงสารที่สงสารพ่อสงสารแม่เกิดขึ้นมา ที่อยู่เราไม่ได้สนใจได้เลยสนใจแต่ตัวเองสนใจแต่ก็พลัวพ่อแม่อันนี้ตัวเองเคยเป็นนั่นเลยนะที่พูดเนะี่ยสภาวะที่เดินเคยเป็นนะพอจาได้ก็เล่าสู่กนฟั ง, ฟงมันก็กลายเป็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทำอีกต่อไปรู้จักเข็ดลาบจำพอเวลาเราย้อนกลับไปคิดใหม่มันก็เหมือนกำลังเกิดขึ้นมาเลย มันกำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยทันทีน้ําตาซึมได้ไหมมีความโมโหโทสอได้ไหมยิ้มได้ไหมมีความสุขได้ไหมเราก็ได้เห็นเหมือนกับการเดินทางก็ต้องเห็นบวกเห็นลบเห็นบุญเห็นบาปมันจะมาในรูปรอยของความคิดและเกิดอารมณ์เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวผ่านทุกครั้งที่รู้สึกตัว จะกลายเป็นเดินทางสู่มรรสู่ผลไปแล้วก็ความเป็นปกติจะเป็นลนักษณะของแดนเรียกว่าชัยภูมิหรือ ว, ว่าพุทธภูมิก็ว่าได้เป็นที่อยู่สภาวะผู้ดูมจะเกิดขึ้นมาดูแล้วก็เห็นสภาวะอาการต่างๆเป็นคลื่นกระทบฝั่งความคิดเกิดมาแล้วละลอกแล้วละลอกแล้วหายไปท้ายสุดโดยที่ไม่ทําให้เราสุขให้เราทุกข์ เป็นแค่อาการของจิตเฉยๆนะเพราะฉะนั้นดูกายมันก็ต้องเห็นจิตนะมันเห็นความคิดที่เกิดเป็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ธรรมชาติต่างๆแสดงออกมาภายนอกภายในรูปมากระทบที่ตาอย่างเงี้ยนะค ว, ความโกรธความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจสุขทุกข์กระ ท, ทบภายในจิตใจของเราคุณธรรมต่างๆหรือว่าอาคุณสนต่างๆที่มันแสดงออกมา มันก็กระทบภายในจิตใจของเรามาในรูปรอยของการคิดการปรงุงวิธีการหลวงพ่เทียนจึงบอกให้เราออกจากความคิดทุกชนิดก่อนเราจะมาชอบเปรียบเทียบนะ่อเห็นภาพชัดๆห้องเราอยู่กันหลายปีหลายเดือนหลายอาทิตย์เราไม่เคยทำความสะอาดก็ลกสกรปรก วันดีคืนดีเราอยากจะจัดห้องวิธีจัดให้ง่ายที่สุดคือรื้อออกให้หมดรื้อออกให้หมดเลยมันลกแน่เราวันที่จัดยังไงก็ลบของดีก็เอามาตั้งเอาไว้ของไม่ดีขายะเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราทําความสะอาดในห้องเช็ดเอาผ้าชุบน้ําเช็ดอย่างประณีตฝุ่นละอองที่มาเองก็แยกออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยเลือกเอาสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ ที่ไม่ดีก็เอาทิ้งๆไปก็เปรียบเหมือนกับความคิดของเรานะีคิดดีก็เอาออกไปก่อนคิดไม่ดีก็เอาออกไปก่อนไม่ต้องไปสนใจมันเสร็จแล้วสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวไปบดนผ้าชุบน้ําไปเช็ดของละเอยะๆเนี่ยและท้ายสุดเนี่ยมันก็จะมีแต่ความคิดดีๆที่อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามอแค่การงานของเก่าๆที่ดี ก็ไม่ได้หายไปไห น, นความทรงจําดีๆเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเมื่อถูกหยิบมาใช้ได้ยอย่างถูกต้องเหมาะสมะมันไม่ได้หายไปไหนนะไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะคิดไม่เป็นยิ่งคิดแล้วก็ถูกต้องแม่นยํา ม, มากกว่าเก่านะคิล้เป๊ะๆ เ, เ, เ, เ, เ, เลย <c oughs> นะแต่ว่าปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเอาออกไปก่อนอย่าไปสนใจมันมันจะไวนะวันนี้เอาไปใช้นะให้เอาไปฝึกกัน คิดเรื่องอะไรก็ไมสนใจไปเลยดัมลีออกจากความคิดเลยดัมลิชอบดัมลีออกจากความคิดดําริที่จะรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้แหละเป็นมัรคมีโง8เทียภาเราสู่มรรคสู่ผลท้ายส่วนจะได้เห็นความจริงของชีวิตเราเรียกว่าเห็นธรรมเห็นจริงๆธรรมชาติในตัวเราที่กายที่ใจมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสามัญธรรมชาติ มันไม่แย่ลึกลับอะไรลึกซึ้งความ ล, ลึกซึ้งถ้าจะเห็นความลึกซึ้งต้องกลับมาเห็นตัวเองนะวันนี้ให้สํารวมระวังสักหน่อยวันนี้ตามาดูได้ก็มาดูหูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรส น, น, น, นะเราก็พยายามที่สํารวมอินทรีย์สังวรเอาไว้ประมาณในการบริพภค ก, การพูดการคุยประหยัดใช้ให้น้อยที่สุดแล้วก็ มันเป็นเพียรเรียกว่าชาคริยานโยคสร้างธรรมที่เป็นเครื่องตื่นให้มากในเพราะการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสรู้สึกตัวเนี้อันนี้เป็นรูปแบบของกรรมฐานที่จะพาเราเดินทางสู่การพ้นทุกข์ต่อไปเอาละเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้วันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ก, การเจริญสติภาวนาจนทั่งสัมผัสธรรมตามกําลังของสติของปัญญาสมควรเกี่การปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านทําอย่างเร็วก็ได้อย่างเร็วทําอย่างปราณี้ก็ได้อย่างปลาหนีก็ขอให้บังเกิดโดยทัรากันทุกท่านทุกรุ่นทุกนามเทอิน